บ <Book> <60 S 3> ุ๊กทูหกสิบซัมูตีซที่ธนาคารบัญชีบัญชีผมต้องการเปิดบัญชีอังการิชิสกั๊กสนามสูรสอังการิชิส กันมูรสนี่คือหนังสือเดินทางของผมไอเชมพาสปอร์ตไอเชมพาสปอร์ตและนี่ที่อยู่ของผมเอสอาริสเชมมิซามาร์ติเอสอาริสเชมมิซามาร์ติผมต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของผม ชอซูชชมสอังการิซพูลสชผมต้องการถอนเงินจากบัญชีของผมชอริชพูลิสมเชมิอัการิชดันพูลิมอสนามินดาผมต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชี อุวิบัูอังรุนวิสบัสูสผมต้องการแลกเช็คเดินทางซการช k คบัสูส์ารช็คสกเดบัมสูสค่าธรมเนียมเท่าไหร่ครับรมเดนมักบล รัมทนีย mos สบผมต้องเซ็นชื่อที่ไหนครับสวซสัดอุนตาโมวาเซโรผมกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศยเยอรมันมัลมนิดันกาดริทชลูเดเยอร์มานิดัน นี่คือเลขที่บัญชีของผม I chemi a m e r เงินเข้าหรือยังครับไดริคผูลีไดริคูลีผมต้องการแลกเงินพลิสกาดซลอมซูสพลิส ผมต้องการเงินดอลลาสหรัฐอเมริกุลีดลาริมชเดมริกีดอลริมชีร์เดบ้รดารุณ า, าขอแบงกย่อยครับทูเชดจเลบปัตาร์คูพิโเรบิมเมทูเชตูิอรเรบมเมซิด ที่นี่มีตู้เอทเอมใหม่ครับอาริสักูลิสอัตมติอาริักปันโกมาติสามารถถอนเงินได้เท่าไหร่ครับรมเดนเชมิซเลียมซนารมเดนเชมิซเลียมซนาใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้างครับ โรเมลลี่สักเครดิตอ่อบาร์เทชเอมิตส์เลียกามอวิเคราโนโรเมลลสักเครดิตออบาร์ทิเอมิตลียกามอวิเโกรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด